มันนี้มาคนเดียวเหรอสามคนสามคนเหมือนเดิมนะแต่ไม่ใช่คนเดิมใช่ไหมเขาที่แล้วมาชุดเดิมวก่ะคน็นอีกคนอยู่ข้างล่างอที่มาจากนครปฐมใช่ไมปจีนปทีนที่พอเห็ดใช่ไหมมาชุดเดียวกันหรือเปล่าสามคนคราที่แล้วก็มาสามคนไหมกลุ่มเดียวกันสามคนเนี่ย มีอะไรจะถามมไหมไม่มีอะโยมมีอะไรจะถามไหมยัมยมมยงจ้งงนะค่ะเดี๋ยววันนี้อาจจะพูดน้อยน่ยให้คนถามมากหน่อยเพราะเดี๋ยวจะมีช่วงถามภาษาอังกฤษอีกช่วงเดี๋ยววันนี้มีคําถามจากทางทางว่าคนเขาทีวีครับก็ถามว่าให้ <f ie> ขอพระอาจารย์เนตาอธิบายคาว่านิพพานอยู่ฟาตายครยับครูบาอาจารย์ท่านพูดว่าคนที่อยากจะไปนิพพานเนี่ยถ้าไม่ยอมตายไปไม่ได้การความหมายก็คือว่านิพพานอยู่ฟาดตายเพราะว่าจะต้องละสักกายทิฏฐิละสังโยชน์ต่างสังโยก็ สังโยชตัวแรกก็คือสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าขันห้าเห็นว่าร่างกายเรานี้เป็นตัวเราของเ ร, เ, รเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเราก็เลยยึดติดไม่ยอมไม่ยอมให้ร่างกายนี้มันตายแต่ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาเราก็เห็นว่าร่างกายนี้เมื่อเกิดมาแล้ว มันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้มันต้องตายแน่นอนทุกคนต้องตายหมดเมื่อกี้นี้ก็มีญาติโยมมาพูดว่าตอนนี้เขาได้สายสไปเขาเป็นแค่ร า, าชการเขาว่าเดี๋ยวก็ได้เส้นที่สองแล้วเดี๋ยวเส้นสุดท้ายก็เป็นได้สายสินสายสไป <c oughs> ทนี้คนที่อยากจะไปนิพพานคือคนอยากจะลุดโทษจากความทุกข์นิพพานเป็นจิตสภาพจิตใจที่ไม่มีความทุกข์เป็นสภาพจิตใจที่ละความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ได้นต้นเหตุของความทุกข์คือความอยากความอยากที่ทําให้เราทุกข์กับร่างกายเพราะเราอยากไม่ตายกันอยากอยู่กันอยากให้ร่างกายอยู่อยากให้ร่างกายไม่ตาย แต่ความจริงเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ได้เป็นเราเป็นใจแต่เราไม่รู้ว่าเราเป็นใจเราไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายแล้วเราคิดว่าเราจะตายไปกับร่างกายแต่ความจริงโคตรเจ้าบอกเราไม่มีวันตายเราผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่มีวันตายแต่ร่างกายเนี่ยมันมีวันตายแต่มันไม่ได้เป็นตัวเรา มันเป็นของขวัญที่พ่อแม่ให้เรามาอเรารับของขวัญคือร่างกายนี้จากพ่อแม่มาแล้วเราก็หลงไปคิดว่าเป็นตัวเราะเหมือนเราได้ตุ๊กตามาแล้วก็ไปคิดว่าตุ๊กตาที่พ่อแม่ให้เรามานี้เป็นตัวเราขึ้นมามันจะเป็นตัวเราได้ไงในเมื่อพ่อแม่ให้เรามาเป็นของขวัญะร่างกายเรานี่เหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งที่เราเอามาเล่นเอามาสั่งให้มันอ่า ทำอะไรต่างๆอาบน้ําให้มันแต่งตัวให้มันหวีผ้าหวีผมให้มันแต่งหน้าทาปากให้มันตุ๊กตาตัวหนึ่งดีๆนี่เองเลยแต่เราไม่รู้เราคิดว่าเป็นตัวเราของเราอพระพุทธเจ้านอกจากที่ได้ปฏิบัติปัสลุแยกกายออกจากร่างกายแยกใจออกจากร่างกายได้ก็เลยรู้ว่าร่างกายไม่ได้เป็นใจใจเป็นผู้ เลี้ยงดูร่างกายพูดง่ายๆใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นเหมือนเลาเป็นเหมือนคนส่วนร่างกายเป็นเหมือนตุ๊กตาตเป็นไหมว่าใจไม่มีรูปร่างเหมือนกับตุ๊กตาใจก็หลงไปหลงคิดว่าล่าตุ๊กตาเป็นเป็นใจเราไปหลงคิดว่าร่างกายนี้ที่เป็นตุ๊กตาเนี่ยคิดว่าเป็นตัวเราเราก็ลายรักก็หวงใช่ไหม เราก็ไม่อยากจะให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายเพราะความความไม่อยากความอยากไม่ให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันเลยทําให้เราทุกข์กันพระพงทธเจ้าบอกว่าถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับร่างกายเราก็ต้องอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะมันยังไงยังไงมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายงั้นถ้าเราเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เป็นตัวเรา เราเห็นว่าเราไปห้ามมันไม่ได้ห้ามมันไม่ให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้เราไปอยากไปห้ามมันเราก็ทุกข์ไปเปล่าๆมีใครห้ามร่างกายไม่ให้แก่บ้างได้ไหมห้ามไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้หห้ามไม่ให้ตายได้ไัมแล้วเป็นยังไงทุกข์ก็ไม่ทุกข์เวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บเวลาร่างกายตาย พระุทธเ้าบอกว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่านั้นเอง <Yeah. S 1> เพราะมันไม่ใช่เป็นตัวเราเป็นของเราเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับมัน yeah. Yeah. Yeah. ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราปฏิบัตินั่งสมาธิมีกำลังที่จะหยุดความอยากได้เราก็จะปล่อยวางร่างกายได้ไม่ยึดไม่ติดกับร่างกาย ยอมให้ร่างกายแก่ยอมให้ร่างกายเจ็บยอมให้ร่างกายตายก่อนที่จะไปนิพพานก็ต้องยอมตายหุยง่ายๆถึงจะผ่านขั้นที่หนึ่งได้นี่ยังไม่ขั้นพระนิพพานขั้นพระโสดาบันท่านเองมีมีอยู่สี่ขั้นพระโสดาบันพระสกิราคามีพระอนาคามีพระอระหันต์ด่านแรกก็ต้องยอมตายแล้ว ด่านที่สองก็ต้องยอมอยู่คนเดียวยอมไม่มีแฟนเพราะการมีแฟนก็ทำให้เราทุกข์มีแฟนแล้วก็ต้องห่วงแฟนห่วงแฟนแล้วเวลาแฟนจากไปก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจคนจะไปนิพพานนี่นอกจากยอมตายแล้วยงต้องยอมเป็นโสดต้องอยู่เป็นโสดอยู่เป็นคู่ไปไม่ได้ แล้วขั้นสูงกว่านั้นก็เป็นขั้นต้องละตัวอัตตาตัวตนให้หมดเลยใจนี้ไม่ใช่ตัวตนใจนี้เป็นเพียงตัวรู้ให้รู้เฉยๆใครจะด่าใครจะว่ายังไงก็ไม่เดือดร้อนไม่ถือตัวไม่ถือว่าตัวเองใหญ่ตัวเองเล็กหรือตัวเองผอมหรือตัวเองสวยตัวเองอะไรไม่ถือทั้งนั้นเพราะใจมันไม่มีอะไรใจเป็นตัวรู้เฉยๆ นี่คือไปนิพพานเนี่ยต้องยอมขั้นต้นก็ต้องยอมตายถ้าไม่ยอมตายก็ไม่ก็จะก็ไม่เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเร า, เราต้องเพียนพยายามมากแค่ไหนจะน้ะคะเพราะต้องต้องหมันนั่งสมาธิมากว่าให้ใจกับร่างกายแยากออกจากกันเวลานั่งสมาธินี้เราปล่อยร่างกายเชื่อข่าวและเวลานั่งสมาธิเ ร, เรานั่งเฉย ไม่ไม่ไม่ไปสนใจกับร่างกายร่างกายจะเจ็บจะเป็นอะไรเราก็ไม่ไปขยับมันเราต้องการแยกใจออกจากร่างกายใช้พุทธโธใช้สติช่วยแยกนั่งแล้วก็พุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปอย่างเดียวแล้วดูลมหายใจไปอย่างเดียวหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกถ้าเรามีกําลังที่จะให้ใจอยู่กับพุทธโธอย่างเดียวแล้วอยู่กับลมหายใจอย่างเดียว เดี๋ยวใจกับร่างกายจะแยกออกจากกันใจจะดิ่งเข้าสู่ความสงบเหมือนตกลุมตกบอ่อตอนนั้นมันทิ้งร่างกายแล้วใจก็จะรู้ว่าตัวเองคือตัวรู้เพราะตอนนั้นจะเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวร่างกายก็หายไปอันนี้พอรู้แล้วว่าอาใจกับร่างกายเป็นคนละตัวและแต่มันรู้ช่วงขาวรู้ขณะที่แยกกันในสมาธิพอออกจากสมาธิมาก็มารวมกันใหม พอพอพอออกจากสมาธิเราก็ลุกขึ้นเดินไปทำนู่นทำนี่เราก็มารวมกับร่างกายใหม่ตอนนั้นเราก็ต้องคอยสอนใจด้วยปัญญาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายมาจากพ่อจากแม่มาจากดินน้ำลมไฟมาจากอาหารที่เรากินเข้าไปน้ำที่เราดื่มเข้าไปมันเลยทำให้มีอาการสามสิบสองเนี่ยมีผมมีขนมีเล็บมีฟัน แล้วมันก็อยู่ไปได้สักพักหนึ่งต่อไปมันก็จะต้องแก่ต่อไปมันก็ต้องเจ็บต่อไปมันก็ต้องตายเวลาตายถ้าเอาไปเผาก็เหลือแต่ขี้เถ้าเอาไปฝังมันก็กลายเป็นดินไปน้ําันน้าในร่างกายก็หมดไปความร้อนในร่างกายคือไฟก็หมดไปลมก็ไม่เข้าในร่างกายหยุดหายใจไม่มีนี่คือร่างกาย เป็นส่วนประกอบของดินน้ำลมไฟถ้าเราพิจารณาบ่อยๆเราก็จะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่ได้ตัวเราของเราและสมาธิที่อาจารย์บอกจำเป็น ไ, ไหมว่าเราจะต้องเฉพาะเรานั่งอย่างเดียวหรือว่าเรามีกิจกรรมในการทามาหาคินเราจะสามารถใช้สติตรงนั้นเป็นสมาธิได้หรือเป การทการใช้สตินี่มันก็ใช้ได้เวลาที่เราทาอะไรต่างๆแต่มันเป็นสมาธิไม่ได้จะเป็นสมาธิี่ต้องนั่งเฉยๆต้องไม่ทำอะไรเพราะเราต้องการหยุดกายหยุดใจหยุดกายหยุดการทำงานของร่างกายหยุดการทำงานของใจแต่ถ้าเราทำอะไรและเรามีสติก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติสติกกับสมาธินี่คนละตัวกัน สติเป็นเหตุที่จะทำให้มีสมาธิถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิมันก็จะไม่มันไม่นิ่งมันจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าคิดแล้วนั่งไปโยนมันตายมันก็ไม่มันก็ไม่สงบมันไม่เป็นสมาธิงั้นก่อนที่เราจะนั่งสมาธิได้เราต้องมีสติก่อนฝึกสติก่อนเช่นพุโทโธไปทั้งวันทำงานก็พุโทโธพุโทโธไปทำอะไรก็พุโทโธพุโทโธไป หยุดพุโทโธก็ตอนที่เราต้องคิดเวลาที่เราทำงานเช่นกำลังคิดบัญชีอย่างนี้เราก็ต้องอหยุดพุโทโธไปแล้วก็ให้มีสติอยู่กับการคิดบัญชีแทนพอเราหยุดทำงานแล้วไม่ต้องทำงานแล้วก็พุโทโธต่ออย่าปล่อยให้ใจคิดเลือเล่อยเปื่อยที่ต้องการให้หยุดนี้ให้หยุดความคิดเลือเล่อยเปื่อยคิดเพิ่มเจอเพิัน อยากเป็นนางงานอยากจะได้แฟนอยากจะได้ลูกอยากจะได้อะไรความคิดเหล่านี้ให้หยุดแต่ถ้าเป็นความคิดที่จําเป็นต้องใช้ในการทํางานในชีวิตประจำวันนี้ก็ใช้ได้อันนี้เป็นการฝึกสติก่อนถ้าไม่มีสติเวลานั่งใจจะไม่หยุดคิดอยากจะคิดคิดแล้วใจก็จะไม่ดิ่งเข้าสู่ความสงบไม่เป็นสมาธิ เลยต้องฝึกสติก่อนในชีวิตทำงานแล้วเวลาเราว่างเราก็นั่งหลับตาหลับตาถ้าสติดี5นาทีสินาทีมันก็แยกออกจากกันจิตก็ดิ่งเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิไปแล้วจิตก็จะมีความสุขเพราะเวลาจิตแยกออกจากร่างกายนี้เบาสบายเวลาอยู่กับร่างกายนี้หนักเพราะต้องคอยแบกร่างกายก็จะเห็นโทษว่าของ เห็นโทษของการยึดติดกับร่างกายว่ามันเป็นทุกข์แยกออกจากร่างกายแล้วสบายอันนี้มันก็จะมาพอออกจากสมาธิมามันก็จะสอนใจว่าตอไปนี้เราต้องปล่อยร่างกายแล้วอย่าไปแบกมันอย่าไปทุกข์กับมันมันจะเป็นอะไรถ้าเราช่วยมันไม่ได้ก็สุดก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปถ้ายังช่วยมันได้ดูแลมันได้ก็ดูแลมันไปแต่ในที่สุดมันก็ต้องเจอวันที่เราช่วยมันไม่ได้ วันที่มันจะตายวันที่มันจะเจ็บนี่ไม่มีใครช่วยมันได้ อ, อย่างมากก็หาหมอหายาไปช่วงช่วงบางวันถ้าเราครียดย่งไรเราไม่ควรนั่งสมาธิเช่นนี้ใช่ไหมอ๋อควรแต่ยิ่งเครียดยิ่งต้องยิ่งนั่งนั่งไหนเพราะการนั่งสมาธิจะหยุดความเครียดี่หยุดความคิดความเครียดเกิดจากความคิดของเราคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นมันก็เครียด แต่ถ้าเราใช้พุโทโธพุธโทโธไปหยุดความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวก็หายเคยรียดเพราะเราจะลืมแต่มันจะลืมชั่วคราวพอเราหยุดพุโทโธกลับไปคิดใหม่มันก็เครียดใหม่ถ้าอยากจะไม่เครียดก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาก็พิจารณาปล่อยวางว่าของทุกอย่างไม่เที่ยงสิ่งที่เราอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็บางทีก็อยากไม่ได้ เขาเป็นอย่างนั้นเราอยากใช้เป็นอย่างนี้เขาไม่เป็นเช่นเขาเป็นกล้วยเราอยากใช้ก็เป็นส้มนี้เขาก็ไม่เป็นหรือเขาตายไปแล้วอยากจะให้กลับฟื้นขึ้นมาเขาก็ไม่กลับมาเราชอบไปอยากในของที่มันเป็นไปไม่ได้นั่นก็เลยเครียดใช่ไหมถ้าถ้าอยากในสิ่งที่เป็นไปได้เราก็ไม่เครียดใช่ไหมอยากได้เงินก็ได้เงินนี้มันเครียดไหมไม่เครียดอยากได้เงินแล้วกลับไปได้นี่สินนี่ก็เครียดอเไร เราต้องยอมรับความจริงว่าถ้ามันต้องต้องมีหนี้สินก็มีกันไปมีใช้ก็ใช้ไปไม่มีอย่างมากก็ติดคุกติดตารางไปตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีมันก็ไม่เทรียดเดี๋เราต้องใช้ปัญญาปรุงให้เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงในที่สุดมันก็ต้องจบร่างกายเราเดี๋ยวก็ต้องตายตายแล้วปัญหาต่างๆก็หมดไปอันนี้เรียกว่าใช้ปัญญา งั้กลับมาที่คําถามคงจะได้คําตอบแล้วเลาะว่าทำไมต้องยอมตายเพราะจะต้องเป็นโสดามันก่อนเพราะโสดามันนี้ท่านยอมตายเพราะท่านเห็นแล้วว่าร่างกายไม่ใช่ตัวท่านถ้าท่านไม่ยอมตายท่านก็จะไม่เป็นโสดามันเพราะท่านจะยึดจะติดจะกลัวจะทุกข์กับความเป็นความตายแต่พอท่านเห็นว่าร่างกายไม่เป็นตัวเราแล้วเราไปทุกข์แทนมันทําไมเวลาคนอื่นตายเราไปทุกข์แทนก็ว่า ขยายเขาไม่ตายหรือเปล่าคนที่เราไม่รู้จักนี้เวลาเขาตายเราเดือดร้อนหรือเปล่าสบายใช่ไหมเออก็ร่างกายเรานี้ก็เหมือนกันมันก็เหมือนกันร่างกายของคนอื่นเนี่ยมันก็แก่เจ็บตายเหมือนกันมันไม่ได้เป็นตัวเราเหมือนกันแต่ความหลงเนี่ยพอเกิดมาเกิดมาก็มีร่างกายมาตั้งแต่วันเกิดมันก็เลยคิดว่าเราเป็นร่างกายเนี่ยเราโชคดีเราได้มาเจอพระพุทธเจ้าเจอคําสอนที่มาสอนบอกพวกเราว่า ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราอย่าไปยึดอย่าไปติดมันต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันมันจะแก่ก็ต้องแก่จะเจ็บก็ต้องเจ็บจะตายก็ต้องตายถ้าเราปล่อยแล้วเราจะไม่ทุกข์เพราะมันก็จะเป็นเหมือนกับร่างกายของคนที่เราไม่รู้จักนี่แหละเวลาเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเราก็ไม่ทุกข์ทีนี้เราก็ต้องพิสูจน์ว่าเราปล่อยได้จริงหรือเปล่าถ้าอยากจะพิสูจน์ก็ต้องไป ไปอยู่ในที่นั้นน่ากลัวที่มันท้าทายต่อความเป็นความตายจนไปอยู่ในป่าไปหาเสือหางูนี่แล้วพอเจอเสือเจองูดูจะปล่อยหรือเปล่าถ้าปล่อยแล้วใจก็จะจะสงบจะสุขแล้วก็ไม่ทุกข์กับร่างกายต่อไปลหลังจากนั้นจะไม่มีวันกลัวตายต่อไป พระป่าถึงต้องพระที่ปฏิบัติเขาถึงต้องเข้าป่ากันไปหาความตายกันไปหาผีหาเสือหาสัตว์อะไรต่างาเขาจะได้ปล่อยวางร่างกายได้ต้องมีเหตุการณ์บังคับให้ปล่อยถึงจะปล่อยถ้าไม่มีเหตุการณ์บังคับมันไม่รู้ว่าปล่อยหรือไม่ปล่อยมันอาจจะหลอกตัวเองว่าปล่อยแล้วแต่ยังไม่รู้วปล่อยจริงหรือเปล่าแล้วรู้ว่าปล่อยจริงก็ต้องไป ไปหาความตายกันไปหาเหตุการณ์ที่ท้าทายต่อความตายเช่นพอไปได้ยินเสือคำรามเนี่ยดูใจสันหรึเปล่าเตรียมจะกลับบ้านหรือเปล่านบนเขาเนี่ยอย่างที่มันเมื่อวานนี้ล่าไปฝั่งมีคนอยากจะมาข อ, อนั่งสมาธิไม่เคยนั่งอยากจะปฏิบัติบ น, นเขาะเราก็บอกว่ามันไม่มีอะไรนะบนนี้มันเงียไม่มีไฟไม่มีอะไรมันมืดนะ ไม่เป็นไรเขาอยากจะลองลองก็ลองอยู่ได้แค่สองทุ่มขอกลับบ้านนะ <c oughs> ผมไม่เรืองอะไรเต็มไปหมดตัวอะไรเต็มไปหมดถ้าไม่อยางรายก็อยู่อยู่ป่าอยู่เขาปฏิบัติไม่ได้นั่งสมาธิไ ม, ไม่สงบอยู่บ้านช่องนี้ไม่มีวันที่จะสงบหรอกเพราะว่าเรื่องมันมากเหตุการณ์มันมากมันดึงให้เราไปคิดอยู่ตลอดเวลา สิงต้องมาติกวิเวกมาอยู่ในป่าในเขากันจะได้ไม่มีเรื่องราวมาคอยรบกวนใจแล้วเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้พอใจสงบแล้วใจจะมีกำลังจะรู้ว่าร่างกายกับใจเป็นคนหละคนกันนี่ก็เลยก็้นวต่อไปก็สอนใจว่าต้องปล่อยร่างกายตอนที่นั่งสมาธิมันยังไม่ได้ปล่อยมันเพียงแต่แยกด้วยกาลังของสติมันจะต้องปล่อยด้วยการไป ไปปล่อยร่างกายจริงๆไปในขณะที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิย <ม S 1> ้อไปเข้ากรรมฐานเต็กบั น, นะไรแบพระอาจารย์พอออกไปทำงานเนี่ยเสียงผูกคนก็เยอะไปหมดเรู้สึกวุ่นวายเหมือนกันเราจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้โดยการกำหนดจัดกายวาจารใจลงชั้นๆก็ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่สติคือเราก็อย่าไปสนใจแล้วก็ดึงพอใจจะไปรับรู้เรื่อง สิ่งต่างๆแล้วก็ดึงมันกลับมาด้วยพุทโธพุทโธไป อ, อย่าปล่อยให้มันไปรับรู้พอไปรับรู้แล้วเดี๋ยวมันเกิดอารมณ์ต่างๆตามมาทําไปไม่รู้ไม่ชี้ไปให้มีสติอยู่กับพุทโธอยู่กับงานที่เราทําไปแต่ถ้าสติไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่อยู่พอได้เสียงอะไรเกี่ยวข้องกับเราหน่อยไปเลย <c oughs> ขอใครเ้าพูดอะไรเกี่ยวกับเราหน่อยเนี่ยมัน มันไม่อยู่เฉยแล้วไหนว่าไงนะใครว่าเดี๋ยวก็โต้ตอบกันละเรายังไม่มีสติไม่มีอุเบกขาแสดงว่ากำลังสมาธิเรานี่ใช่สติน้อยต้องไปฝึกบ่อยๆต้องไปเข้ากรรมฐานเจ็ดวันบ่อยๆใช่คนที่ก็ได้ สติได้สมาธิก็ส่วนใหญ่จะเป็นนักบวชกันถ้าเป็นญาติโยมไม่มีทางหรอกเพราะญาติโยมไม่มีเวลาพอทาน้อยญาติโยมก็เป็นเหมือนนักกีฬามือสมัครเล่นอ่ะส่วนนักบวชนี่ก็เป็นนักกีฬามืออาชีพเขาถึงไปแข่งได้รางวัลกันได้เหรียญทองได้เหรียญเงินกันพวกเรามันเป็นพวกมือสมัครเล่นไปแข่งกับเขาไม่ได้ไม่ติดอันดับ ก <c oughs> องเชียร์ได้อย <c oughs> <c oughs> อันนี้ตอบคําถามแล้วใช่ไม้มว่าทําไมคนที่จะไปนิพพานนี้จะต้องอนิพพานอยู่ภาคตายเพราะว่านิพพานอยู่ ท, ที่อยู่ที่การปล่อยวางร่างกายอต้องปล่อยวางร่างกายแล้วหลังจากนั้นก็ไปลปล่อยวางอความรักรักคนอื่นก็ต้องปล่อยรักตัวเองก็ต้องปล่อย แล้วก็ลากจิตใจก็ต้องปล่อยปล่อยจิตใจจนตัวสุดท้ายปล่อยอัตตาตัวตนจนตัวสุดท้ายมีคําถามหนึ่งเคยฟังมาว่าเห็นทุกข์แต่ไม่รู้จักทุกข์ความหมายมันลึกซึ้งแค่ไหนกันก็พวกเราเนี่ยร้องห่มร้องไห้กันทุกวันแต่ไม่รู้ว่าเป็นทุกข์กันะรู้ว่าทุกข์แต่ก็ไม่รู้วิวธีกําจัดมันก็เลยไม่รู้ว่ามันทุกข์คิดว่าเป็นธรรมดาะ เป็นเรื่องธรรมดาเกิดแล้วก็ต้องทุกข์กันแต่ความจริงความทุกข์นี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาความทุกข์นี่มันเป็นเรื่องที่เกิดจากตัณหาของเรากิเลสของเรากิเลสตัณหาทําให้เราทุกข์กันถ้าเราหยุดกิเลสตัณหาได้เราก็ไม่ทุกข์กันอยู่กับทุกข์แต่ไม่รู้จักทุกข์เพราะฉะั้นถ้ารู้จักทุกข์มันต้องรู้จักเหตุของทุกข์ เมื่อรู้จักเหตุของทุกข์มันก็จะรู้จักวิธีกําจัดเหตุของทุกข์ได้ต้องรู้จักอริยสัจสี่เจะรู้จะเล ร, รู้จักทุกข์จริงทุกข์สมุทัยนิโรธมั่นนี่คือพระอริยสัจสี่ทุกข์ก็คือความไม่สบายใจต่างๆเกิดจากความอยากต่างๆกามฐันหาภวตัาหาวิภาวะัาหาจะดับความทุกข์ใจความไม่สบายใจได้ต้องหยุด ต้องละกามาตัญหาภาวตัญหาวิภาวะตัญหาจะละกามาตัหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาได้ต้องใช้มักมักก็คือทานศีลภาวนาอยากจะซื้อกระเป๋าก็อยากไปซื้อเอาเงินไปทําบุญแทนนี่และให้ละตัญหาละความอยากพอเราละความอยากซื้อกระเป๋าได้ต่อไปเห็นกระเป๋าเราจะเฉยเฉยไม่เดือดร้อนตอนนี้เห็นแล้วเดือดร้อนไหม เห็นแล้วว่ามันสวยมันน่ารักน่าซื้อออถ้าอยากซื้อไม่มีเงินซื้อก็ทุกใช่ไมอมแต่ถ้าเราละความอยากซื้อกระเป๋าได้ด้วยการด้วยการเอาเงินที่อยากซื้อกระเป๋าไปทําบุญแทนทุกครั้งอยากจะซื้อกระเป๋าใหม่ใหม่ของเก่าก็มีอยู่แล้วยังใช้ได้อยู่ไม่ต้องไปซื้อมันะเอาไปทําบุญแทนอถ้าทํานี้ต่อไปความอยากซื้อกระเป๋าก็หายไป ละด้วยด้วยการทำทานละด้วยการรักษาศีลอยากจะได้แฟนใหม่ก็แอบไปมีแฟนใหม่นี้ก็ไปทำผิดศีลทำผิดศีลข้อ3มีแฟนเก่าแต่เบื่อแฟนเก่าอยากจะได้แฟนใหม่ก็เลยไปพูดผิดประเวณีถ้าถือศีลก็จะละได้ละความอยากไปมีแฟนแฟนเพิ่มเติมได้เรการรักษาศีลเนี่ยทำทานก็หยุดความอยาก รักษาศีลก็หยุดความอยากแต่ยังไม่หมดยังมีความอยากอย่างอื่นที่ทานกับศีลหยุดไม่ได้ต้องใช้สมาธิหยุดใช้ปัญญาหยุดเรียกว่าภาวนาเราต้องมีทั้งสามเนี่ยเช่นจะหยุดความตายเนี่ยหยุดความกลัวตายหยุดความรักร่างกายความยึดติดกับร่างกายเนี่ยทำทานททานรักษาศีลอยางหยุดมันไม่ได้หรอกต้องนั่งสมาธิแล้วก็ต้องเจริญปัญญาวิปัสสนา มันถึงจะละความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้แต่นี่คือเครื่องมือที่เรียกว่ามรักทุกขสมุทยัยนิโรธมรักนี่แหละคือการรู้จักทุกอย่างแท้จริงการรู้จักทุกอย่างแท้จริงก็รู้ต้นเหตุของทุกู้วิธีการดับทุกขรู้วิธีทำให้ทุกข์หายไปรู้รู้การดับทุกู้วิธนิโรธนิโรธก็คือว่า ไม่มีความทุกข์อยู่ในใจเราอีกต่อไปแล้วบัด น, นี้เราไม่เคยเราไม่กลัวตายแล้วไม่กลัวเจ็บแล้วเพราะเราหยุดความอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้นะจะหยุดได้ก็ต้องมีสมาธิมีปัญญาเพราะทําทานรักษาศีล ส, สองอย่างนี้หยุดไม่ได้สู้ไม่ไหวต้องใช้สมาธิใช้ปัญญาถึงจะมีกําลังที่จะหยุด ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้เข้าใจนะมีมีมอีกไหมวันนี้มีคําถามนันเดียวเลยอยากถามมีข้อนึงครับอาจารย์เอ <laughs> <c oughs> อยากถามมีข้อนึงครับถามว่าเล่น f เฟซบุ๊ก แต่ไปด่าว่าคนอื่นที่ทำชั่วตามข่าวผ่านความเห็นต่างๆไปอบายได้ไหมตกนรกได้ไห ม, มการด่าว่าน้นเป็นว่าเขาเรียกผลุสวาสใช้วาจาอยาคงไม่ถึงขั้นที่จะไปนรกหรอกก็อาจจะไปแบบพวกเดลฉานอะไรพวกนี้มากกว่าเพราะว่าไม่มีมไม่รู้จักวาจาที่สุภาพ เป็นมนุษย์ไม่ได้มนุษย์แท้จริงเขาต้องเรียบร้อยสุภาพพูดจ า, าไม่ไม่ไปกระทบกระเทือนไปทำให้คนฟังเดือดร้อนแต่เราพูดคำหยาบเนี่ยพูดด่าคนเนี่ยคนฟังแล้วเขาเดือดร้อนยกเว้นว่าเราพูดว่าเก่าวตักเตือนนี้ไม่ได้เป็นคำด่านะเช่นครูบาอาจารย์พ่อแม่สั่งสอนลูกศิษย์นี้ก็ พูดด้วยเหตุด้วยผลไม่ถือว่าเป็นคำหยาบดูที่เจตนาดูที่เจตนาแล้วก็ดูที่เหตุผลด้วยไม่ได้ถ้าว่ากล่าวด้วยอารมณ์ด้วยความโกรธนี้มันก็มันก็ถือว่าผิดต้องว่ากล่าวตักเตือนพูดด้วยเหตุด้วยผลแอ่ถ้าว่ากล่าวาตักเตือนด้วยความโกรธนี้มันก็ไม่ถูกงั้นก็ต้องระมัดระวงัง วาจาวาจาสา ม, มาวาจานี้ท่านมีอยู่สี่อันด้วยกันคือหนึ่งไม่พูดคำไม่ไม่พูดคาเท็จไม่พูดปดสองไม่พูดคำหยาบสามไม่พูดเพ้อเจ้อสไม่พูดสอเสียดคือพูดยุยงให้ผู้อนเขาแตกแยกสามัคคีกันคำว่าสอเสียดนี้ไม่ได้หมายคำว่าเสียดสีนะไม่ใช่พูดเพื่อเสียดสีคนนั้นคนนี้ คำว่าส่เสียนี่เหมือนกัรไปยุให้เขาแตกแยกกันเช่นไปยุให้สามีภรรยาที่เขารักกันนี่ไปแตกแยกกันด้วยการไปเป่าหูภรรยาว่าเห็นแฟนเธอไปเดินกับใครก็ไม่รู้อย่างนี้แล้วก็ไปทำให้เขาไม่ไ ม, ไม่ไว้ใจกันไม่รักกันไปท้างความทุกข์ให้กับคนอื่นด้วยวาจาของเราการกระทาการพูดของเรานี่ควรจะพูดเพื่อให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความสุข เันคำพูดของพระพุทธเจ้านี่ท่านพูดทุกคานี่มีแต่ประโยชน์มีแต่ความสุขไม่ได้พูดให้คนอื่นคนฟังเดือดร้อนเสียหายแล้ววาจารเราก็จะเป็นวาจาที่มีคุณค่ามีเครดิตใครๆก็อยากจะฟังอยากจะได้ยินถ้าเราพูดสามาวาจาคือพูดความจรงิงพูดวาจาที่สุภาพพูดไม่ พูดเรื่องที่มีสาระไม่ใช่พูดเรื่องเพอร์เซอรอย่างที่เรามาคุยกันเนี่ยพูดธรรมะสนทนาธรรมมีสาระมีประโยชน์แล้วก็พูดให้รักกันให้สามัคคีกันเวลาสามีภรรยาเขาทะเลาะกันก็อย่าไปยุให้เขาอยากันแตกแยกกันเลยก็บอกว่าต้องเอาให้อภัยกันอยู่ด้วยกันลินกับฟันก็มีบ้างที่อาจจะต้องขบกันบ้าง รักกันดีกว่าแยกกันแต่ถ้าพูดบอกให้แยกด้วยเหตุด้วยผลนี่ก็ไม่ได้ยุโยงพูดไปตามความจริงว่าเขาไายกาดโหดร้ายทารุณตบตีเราทุกวันแล้วอยู่ด้วยกันไม่มีความสุขอย่างนี้ก็อย่าไปอยู่ดีกว่าใช่นะเป็นภัยต่อชีวิตเราจะไปอยู่ทาไมดีดีไม่ดีวันดีเกิดเขาอารมณ์เสียโหดร้ายฆ่าเราขึ้นมาอย่างนี้ ถ้พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้พูดแบบส่อเสียดพูดด้วยเหตุด้วยผลพูดด้วยความจริงอย่างนี้แล้วหลักหลักในการเลือกคู่ของอาจารย์ถ้าห้าไม่ได้มันมีไหมครับแบบว่ามี ก, เก็เลือกคนดีไงเลือกคนดีอย่าไปดูที่หน้าตาอย่าไปดูที่เงินทองอย่าไปดูที่ราบยศที่เขามีให้ดูที่ศีลธรรมเขามีศีลธรรมหรือเปล่าเขาเสพอบายมุขหรือเปล่า ซื้อสัตว์สุดจริตหรือเปล่าลักษณะนี้มีความขยนันมีความเกียจค้านถ้าเศว บ, บายามุกนี้ก็อย่าไปเอาเลยเล่นการพนันเดิมสุราทเที่ยวกลางคืนครบนักเลงเป็นเม็ตรอย่างเงี้ยตรงนี้อย่าไปแต่งเสียเวลาเนื้อขี้เกียจไม่ยอมทํางานชอบทเที่ยวชอบเล่นหาคนที่ขยันทำมาหากินเก็บเงิ น, เ ก, เ, งนเก็บทองซื้อสัตว์สุจริตเนี่ย ไม่พูดปวดมดเทศไม่เดิมสุรายาเมามีความขยันในการทามาหากิงมีความเมตตากรุณาเอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่ใจบุญสุนทานอยู่กับคนแบบนี้จะมีความสุขนก็ไปบวชหมดใช่ไหมก่อ <c oughs> นอย่างนี้ไปบวชกันหมดคนดีบวชมาแล้ว ตายหมดแล้วยแล้วแล้วที่คู่แบบศีลเสมอกันคือก็ทุกคนก็ก็มีศีลเท่ากันะที่มีศีลห้าเท่ากันอย่างเงี้ยไม่รักซ้ําไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่โกหกไม่ดื่มสุราไม่ฆ่าสัตว์ก็เรียกว่ามีศีลเท่ากันอย่างนี้ถ้ามีคนมีคู่ก็ไม่สามารถไปสวดอะบันได้เลยได้ก็มีศีลห้ายังเป็นได้ ก็เป็นได้ยิงแต่ว่าต้องเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราอันนั้นต้องต้องนอกจากมีศีลห้าแล้วยังต้องรักการนั่งสมาธิรักการฟังเทศฟังธรรมถ้าเรานั่งสมาธิได้แต่าราว่าบางคนอาจชีวิตไม่วุ่นวายมากฐานะ ด, ดีไม่ต้องทำงานมากอย่างเป็นแม่บ้านอย่างนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรอยู่บ้านก็นั่งสมาธิได้อ่านหนังสือธรรมะฟังเทศได้ก็เป็นสวัสดิบานได้ ขอให้มีสมาธิมีปัญญาสมาธิก็การฝึกสตินั่งนั่งสมาธิบ่อยๆปัญญาก็อาศัยการฟังเทศบ่อยๆแล้วอาจารย์คะถ้าถ้าเราเป็นโสตไม่มีคู่อย่งเงี้ยแล้วฟังแก่ๆเราจะอยู่อะไรกัก็พระก็อยู่คนเดียวนี่ก็ยังไม่เป็นหวนอ๋อไม่ต้องกลัวหรอกคนที่อยู่คนเดียวได้เขาพึ่งตัวเองได้เอาพึ่งตัวเองได้ คนที่เป็นคู่น่ะลำบากเพราะเดี๋ยวเกิดใครคนหนึ่งตายไปแล้วอยู่อยู่คนเดียวไม่ได้อสังเกตดูคนที่มีคู่เนี่ยพอเสียคนไปคนหนึ่งถ้าแก่นะบางคนอีกคนเดี๋ยวตายตามไปละไม่กี่วันก็ตายตามไปละเพราะไม่มีไม่มีที่พึ่งไม่มีคู่ไม่มีอะไรไม่มีกระจิตกระใจที่อยากจะอยู่ถึงแม้ว่าร่างกายยังอยู่ได้แต่ใจมันไม่อยากจะอยู่ละใจมันคิดว่ามันอกหักอย่างเงี้ยเหมือนเสีย เสียคนที่รักไปจิตมันก็เลยซึมเศร้าไม่มีกระจิตกระจายที่จะกินจะทำอะไรดูแลรักษาร่างกายอยู่ไปไม่นานก็ตายแต่ถ้าคนอยู่คนเดียวมาตั้งแต่หนุนมน่มนี่แต่สาวนี่เขาก็พึ่งตัวเองมาได้ตลอด<ๆ>เขามีเครื่องอยู่คนที่อยู่คนเดียวได้นี่เขาต้องมีสติมีสมาธิมีกำลังที่จะสู้กับกิเลสที่อยากจะไปมีแฟนได้ ถ้าก็มีกําลังระดับนั้นแล้วเขาอยู่คนเดียวได้อย่ยไม่ต้องกลัวหละ่ะพระเจ้าสอนให้อัตตาหิอัตนโนนาโถให้ตนเป็นที่พึ่งของตนแต่พวกเราไม่ชอบพึ่งตนเองชอบไปพึ่งคนอื่นพอพึ่งไม่ได้ก็เศร้าโศกเสียใจน้องห่มร้องไห้บางทีก็ฆ่าตัวตายตามเข้าไปเสียคนที่รักไปแล้วบางทีตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เย ก็เลยไม่รู้จะอยู่ทําไมก็ฆ่าตัวตายดีกว่างั้นมาหัดพึ่งตัวเองดีกว่าคนที่พึ่งตัวเองนี่ไม่ต้องพึ่งอะไรแม้แต่ร่างกายก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนก็ปล่อยมันแก่ไปเมื่อมันอยู่ไม่ได้ก็ปล่อยมันตายไปเท่านั้นเองเมื่อไม่มีกําลังที่จะไปหากินก็ไม่ดองกินมันอดมันไม่ไม่ต้องไปพึ่งใคร ใจไม่ใจไม่ได้พึ่งร่างกายใจไม่เดือดร้อนร่างกายเป็นยังไงใจก็มีความสุขได้ใจนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ยองเคยฟังว่าผู้หญิงนะสมัยพอตายไปแล้วสมองก็จะไปเป็นเปรตเพราะว่ามีรักเหมือนห่วงหนีวเลยไม่หรอกก่อนไปเป็นเปรตนี่เป็นเพราะว่าเรามีความโลภอยากได้มากๆแล้วก็ ไปทำบาปเพื่อจะให้ได้มากๆวั น, นี้วพวกเปรพวกขอรับชา่นเนี่ยพวกพวกที่หาเงินแบบง่ายๆเร็วๆโดยการไปขอรับชา่นไปโกหกหลอกลว ง, งไปโกงไปกินอะไรอย่างนี้พวงนี้ต่างหากที่จะไปเป็นเปรเปรนี้เป็นเปรเพราะว่าทำบาปด้วยความหิวด้วยความโลภ มันเป็นได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายมันไม่จําเป็นม่าจะเป็นผู้หญิงไม่อผู้ชายเดีย่ยงนี้เรามักจะได้ยินคําพูดที่มันไม่ถูกต้องกันเยอะแยะคนก็พูดไปตามความรู้สึกในคิดต่างๆไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติอาจารย์ถึงสอนว่าเวลาฟังอะไรอย่าอย่าเชื่อทันทีให้ฟังหูไว้หู ในการลรามาสู่ท่านบอกอย่าเชื่อคาว่าอย่าเชื่อไม่ได้ขอไม่ให้เชื่อแต่มาว่าอย่าเชื่อทันทีให้ฟังหูไว้หูเอาไปพิสูจน์ก่อนว่าคำพูดคที่เขาพูดจริงหรือไม่จริงถ้าเราพิสูจน์ไม่ได้เราก็อาจจะต้องไปหาผู้รู้ถามผู้รู้ดูแต่ถ้าผู้รู้พูดแล้วเรายังไม่มั่นใจเราก็อย่าเพิ่งไปเชื่อต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเองดีที่สุด ถ้าเราไม่รู้ถ้ายังพิสูจน์ไม่ได้ก็ไม่ต้องเชื่อเฉยๆไว้ก่อนไม่ต้องปฏิเสธแต่ก็ไม่ต้องเชื่อเช่ <ừ. S 1> <ừ. S 2> นเขาให้ทองคามาสิบบาทเนี่ยวันนี้เป็นทองคาเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราก็ไม่รู้ให้มันดูถ้ามันทองจริงหรืทองเก๋ ừ. เราก็ต้องไปหาผู้ที่เขารู้จริงก่อนให้พาเอาไปที่ร้านขายทองให้ก็ช่วยช่วยดูให้หน่อยถ้าร้านขายทองเป็นร้านที่น่าเชื่อถือได้ เรก็บอกของเก๋เราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเป็นของเก๋เพราะเราไม่มีวันจะรู้ได้ด้วยตัวเราเองพระอาจารย์คะยมมีคําถามค่ะสตว่าเราปฏิบัติทำไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยแต่เราไม่ได้แบบไปมีครูบาอาจารย์อยู่ ข, ข้างๆตลอดเราจะรู้ได้ไงว่าสภาวะเราทําไปถึงขั้นไหนแล้วอ๋อนั้นก็มีหนังสืออ่านส่วนหนึ่งมีเทศฟังอยู่เรื่อยๆอ แล้วก็ถ้าเรายัางไม่มั่นใจเราก็ไปคุยกับครูบาอาจารย์ได้ก็สอบถามนี่แหละไม่ได้สอบอารมณ์หรอกอสอบถามก็คือว่ายดิฉันปฏิบัติมาถึงอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้แล้ว mm. ควรจะได้ขั้นไหนแล้ว mm. อะไรงี้มันก่อนมีญาติโยมคนหนึ่งมาถามว่าหนูเป็นอาหารเป็นผ้าอาหารหรือยังถ้าหนูไม่รู้หนูคงไม่เป็นหรอกอยู่ดีๆมาถาม อาจารย์หน so you know. ูเป so> ็นผ้าหนังเรื่องเราก็บอกว่าถ้าหนูไม่รู้หนูคงยังไม่เป็นเราเพราะว่าถ้าถ้าส่วนใหญ่ถ้าเป็นมันรู้เพราะว่ากรรมธรรมเหล่านี้ท่านเรียกว่าสันทิธฐิโกผู้ผู้ปฏิบัติจะพิสูจน์ได้ด้วยตนเองเหมือนกินข้าวแล้วอิ่มแล้วไม่อิ่มมันไปถามคนอื่นเลยว่าหนูกินข้าวอิ่มหรือยัง รู้ของนี้มันรู้เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ชื่อมันใช่ไ้มว่ามันชื่ออะไรอาการอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรอาจจะไม่รู้อาจจะต้องไปเปิดตำราเพราะบางทีสมาธิกับการบรรลุนี่มันก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่ามันสมาธิมันบรรลุชั่วคราวการบรรลุด้วยปัญญามนบรรุทะ ถ, ถาวรมันต่างกันแต่มันอาการคล้ายกันอันนีถ้ถ้าไม่ได้ศึกษาก็จะไม่รู้ว่าเป็นอันไหน ถ้าไม่รู้ก็อย่าไปปรับใจอย่าไปเชื่ออย่าไปว่าโอ้ฉันเป็นนู่นฉันเป็นนี่แล้วเป็นอะไรไม่สําคัญอย่าไปนสนใจที่ชื่อมันขอให้สนใจที่ความรู้สึกที่อยู่ในใจเราถ้าเราไม่ทุกข์ก็แสดงว่าใช้ได้มันจะชื่ออะไรไม่เป็นไรเช่นสามีทิ้งเราแล้วเราไม่ทุกข์อนี้สแสดงว่าเราบรรลุแล้วเนี่ยออสูญเสียเงินทองไปหมดเนื้อหมดตัวเราไม่ทุกข์อย่างนี้ออย่างเงี้ยมันเรียวามบรรลุแล้วอ ไม่ต้องไปถามว่ามันขั้นไหนชั้นไหนหรอกขอให้รู้ว่าเราไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆนี่ก็ถือว่าเราได้บรรลุธรรมนะแต่ชั้นไหนก็ช่างมั น, นปล่อยวางได้แล้วชั้นไหนเรื่องไหนเลยยังปล่อยไม่ได้ก็ไปปล่อยให้มันให้ได้ต่อไปทำ่มัอาจจะปล่อยแฟนได้ปล่อยทรัพย์สมบัติได้แต่ยังปล่อยร่างกายไม่ได้เดี๋ยวร่างกายเป็นมะเร็งเครียดขึ้นม า, านแสดงว่ายังปล่อยไม่ได้แต่ถ้าร่างกายเป็นมะเร็งแล้วเฉยยิ้มได้ เป็นก็เป็นสิเรื่องของมันอย่างนี้ก็บรรลุได้นะเพราะหมอว่าจะตายสามเดือนตายก็ตายแตอนนี้ยังไม่ตายอีกสามเดือนที่องค์ก่อนก็ได้อดูตรงนี้ดีกว่าอย่าไปดูที่ชื่อมันเพราะชื่อมันไม่แน่นอนแล้วมันจะทําให้เราไขว้เขวให้ดูที่ใจให้ดูที่ทุกข์หรือไม่ทุกข์การปฏิบัติทําทุกขั้นนี้มันจะดับความทุกข์ นั่งสมาธิเวลาจิตสงบรวมลงความทุกข์ก็หายไปแต่พอกลับมาออกมาจากสมาธิไปเจอเรื่องเก่าทุกข์อีกแล้วสแสดงว่าอันนี้เป็นการดับความทุกข์ชั่วคราวถ้าเป็นสมาธินี่มันดับได้ชั่วคราวถ้าดับด้วยปัญญานี่มันจะดับอย่างถาวรเช่นถ้าถ้าไม่ทุกข์กับการล้มสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองทุกครั้งที่ล้มมันก็จะไม่ทุกข์ ถ้า ท, ทุกครั้งที่ล้มละลายมันก็จะไม่ทุกทุกครั้งที่ไปคิดถึงมันก็จะไม่ทุกอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ทุกข์ด้วยปัญญาแล้วมันมีสองขั้นถ้าเรารู้แล้วเราไปเปิดหนังสือดูเราก็อาจจะรู้ว่า เ, ออเราอยู่ขั้นไหนขั้นไหนแล้วก็ได้แต่การรู้นี่ต้องระวังว่าอย่าไปปากโป้งก็แล้วกันเพราะว่าเป็นเรื่องของภายในเราพูดไปบางทีคนอื่นก็ไม่รู้ เขาก็จะหาว่าเราอวดเอาหาว่าเราบ้าก็ใจ้ไหมก็ต้องระวังคนที่บรรุนี่เขาจะต้องปิดปากเงียบเหมือนคนถูกวัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนี้อย่าไปบอกใครบอกแล้วเดี๋ยวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงตามมาอหรือโจรขโมยตามมาอาของดีมีทรัพย์อรลัยทรัพย์นี้ต้องสงวนไว้คนที่เขามีอาลัยทรัพย์นี้เขาไม่เอามาประกาศโป้งๆหรอว่า โอ้ผมเป็นคั้นั้นขั้นนี้แล้วเข้าใจไหยนอกจากพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องพูดเพราะไม่มีใครถ้าไม่พูดก็ไม่มีใครรู้เอลูกครูบาอาจารย์มอง์ที่ท่านมีบารมีแล้วนี่ท่านพูดได้แต่คนที่ไม่มีบารมีไปพูดเดี๋ยวเขจะว่าบ้าเข า, าจะว่าอุตริต้องคนที่มีบารมีถึงจะถึงจะพูดได้นะ อยากจะรู้ว่าเราอยู่ขั้นไหนให้ดูที่ใจเราว่าทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าไม่ทุกข์กับเรื่องนี้แล้วก็แสดงว่าเราหลุดจากเรื่องเรื่องนี้ไปแล้วขั้นนี้ไปแล้วไม่ทุกข์กับเรื่องนั้นก็แสดงว่าเราหลุดจากขั้นนั้นไปแล้วมันมีมันมีขั้นขั้นของมันมันมีตัวปัญหาที่มันทําให้เราทุกข์กันอยู่ถ้าตราบใดเรายังมีความทุกข์อยู่แสดงว่าเรายังไม่ถึงนิพพานถ้าถึงนิพพานแล้วมันจะไม่มีอะไรอยู่ในใจที่จะทําให้เราทุกข์อีกต่อไป ได้มันไม่ได้อยู่ที่ผมเนี่ยไปนิพานไม่ได้ไปที่ผมสั้นหรือผมยาวมันอยู่ที่มีศีลสมาธิปัญญาหรือไม่รักษาศีลได้บริสุทธิ์หรือเปล่านั่งสมาธิทานจิตให้รวมได้หรือเปล่ามีปัญญาเห็นทุกอย่างเป็นทุกข์หรือเปล่าเห็นลาบยศสรรเสริญสุขว่าเป็นทุกข์หรือเปล่าเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์หรือเปล่าเห็นร่างกายของคนอื่นเป็นทุกข์หรือเปล่าต้องเห็น เป็นทุกข์ไปหมดพรามันเห็นเป็นทุกข์แล้วมันก็จะไม่อยากพอไม่อยากมันก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆถ้ายังเห็นว่าดีอยู่มันมันก็อยากพออยากพอได้มาแล้วพอมันมันไม่มันไม่มันไม่ดีอย่างที่เราคิดก็ทุกข์ขึ้นมาแล้ะถ้าเราเห็นแบบว่าเม่ตาของสารเขาแต่ว่าบางอย่างเราไม่สามารถช่วยได้ไ <พอ S 1> ช่วยไม่ได้ก็ต้องอูเบกขาไปไงเบกขาไปเนี่ย เรามีณนะ์มีธรรมสี่อย่างที่เราใช้ต่อเพื่อนร่วมโลกเพื่อนเพื่อนเพื่อนร่วมเกิดแก่เจตตายก็คือเมตตากรุณามุญิตาแล้วก็อุเบกขาถ้าให้ความเมตตาได้ก็ให้ไปให้กรุณาได้ก็ให้ไปให้มุญิตาได้ก็ให้ไปถ้าให้ไม่ได้ก็ต้องอุเบกขาทำใจเฉยๆไปว่าถือว่าเป็นกรรมของเขาไป เขาทํากรรมอันใดไว้เขาก็ต้องรับผลของกรรมนั้นเช่นเขาทุกกับเรื่องแฟนเขาเราก็บอกให้เขาปล่อยเขาก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมปล่อยก็ทุกข์ไปเราก็ช่วยอะไรไม่ได้เราให้ธรรมทานไปแล้วให้ความเมตตาสอนธรรมะนะ ม, มีใครอยากจะถามอะไรไหมวันนี้ ธรรมะที่มีมีสองข้อเลยหรือมีข้อเดียวนะเพิ่งมาคิดเมื่อแค่เข้าใจก็ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวจะให้พรก่อนนะกบได้ประมาณช่วงแรกนะเผื่อใครอยากจะอ้ามอยากจะถามเนียอ่ะก็มาใกล้ๆหน่อยเลยอยากถามว่าเวลาเราปฏิบัติะค่ะเราก็มันยังแบบมันไม่เห็นผลแล้วมันท้อแท้ก่อนนะคะเอ ตองใจเย็นๆเขี่ยเหมือนเอาเงินฝากในธนาคารเน่ยเมื่อมันยังไม่ครบดิวมันก็ยังไม่ได้ดอกแต้อรอให้มันถึงเวลามันก็จะออกดอกเองก็พยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆถ้าหยุดเมื่อไหร่ก็ยิย่งไม่ได้ผลอย่างแน่นอนถ้าอยากได้ผลก็ต้องพยายามปฏิบัติต่อไปอาจจะค้นดูว่าเราปฏิบัติถูกและไม่ถูกมาแก้ไขวิธีการปฏิบัติของเราวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะได้ผลต้องเริ่มต้นที่สติ ต้องมันสร้างสติอยู่เรื่อยๆมันหยุดความคิดคอยนึงใจให้อยู่ในปัจจุบันอย่าปล่อยให้มันไหลไปทางอดีตไหลไปทางอนาคตให้มันอยู่ในปัจจุบันอยู่กับร่างกายอยู่กับพุทโธไปอย่างเงี้ยแล้วเวลานั่งสมาธิมันก็จะสงบง่ายเวลาบางทีมันท้อจะมันไม่ยอมทำเลยค่ะถ้ามันบางวันมันท้อจริงๆก็อย่าไปฝืนมันให้มันพักก่อนก็ได้มันไม่ได้ท้อทุกวัน เดี๋ยวพอพรุ่งนี้ค่อยเริ่มใหม่ก็ได้คือบางทีมันแรงต้านมันมากนะักเราสู้ไม่ไหวเราก็อย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปสู้กับมันเราก็พักก่อนเราก็ไม่ต้องอะไรมากก็เพียงแต่แต่แต่เราก็ต้องอย่าปล่อยให้มันแบบเสียเนื้อเสียตัวเลยถ้าเราไม่ปฏิบัติก็อย่างน้อยเราก็อย่าไปทําบาปอย่าไปเที่ยวอย่าไปเล่นอะไรอาจจะทําอะไรเบาๆไปสวดมนต์ไปก่อนพุโทโธไปก่อนอะไรนี้ ยังไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ถ้ายังนั่งไม่ได้มันนนไปเเออิ็ตะก็ต้องนึ่งมันไว้ะใ้ไหอก็ต้องโยนโทรศัพท์ทิ้งไปเราต้องเลือกเอาว่าเราจะเอาอย่างไงดีกว่ากันเล่นอินเทอร์เน็ตกับอนั่งสมาธิอันไหนจะดีกว่ากันมีประโยชน์กว่ากันเราต้องเลือก อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องมองให้เห็นคุณเห็นโทษเห็นว่าเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วมันได้อะไรมันก็ได้แต่ความฟุ้งซ่านได้แต่ความอยากแต่ถ้าเรามานั่งสมาธิเราจะได้ความสงบได้ความสุขได้ความอิ่มอาจารย์เล่ า, าขอเรื่องขอเขาทำได้ไหถ้าเราปฏิบัติม่ากๆเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีมีมานมาเยอะเหมือนกันเลย ถอว่ามีะไรงเวลาปฏิบัติเนี่ยมันจะมีอุปสรรคเยอะแยะไม่หมดเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องธรรมดาของการปฏิบัติคนมาทวงแบบว่าคล้ายๆเหมือนเจ้ากัรในเวรมาทมงอ่าใช่มันไม่หรอกมันเป็นทางที่เราจะไปเนี่ยมันขรุขระไมันมันไม่ราบลื่นเหมือนกับไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวเลยไม่มีอุปสรรคเราจะไปอยู่แล้วแต่ก็จะมี บางอย่างมาดึงไว้อย่าไปนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ ก, กิเลสจากเราของเราข้างในเองส่วนใหญ่ก็เป็นกิเลสของเราเนะกิเลสมันจะคอยดึงไม่ให้เราไปทางนี้กันแล้วมันก็จะสร้างความรู้สึกหรือสร้างปัญหาอะไรต่างๆขึ้นมาเวลาไปเที่ยวนี้ไม่เคยห่วงคนนั้นห่วงคนนี้เลยเวลาจะไปปฏิบัตินี่เริ่มห่วงไปหมดเลยห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงลูกห่วงลหวงลาน หนูต้องมองถึงผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติว่ามันดีผลที่เราไปเที่ยวไปเล่นนี่มันมีแต่เสียหายคือมันจะทําให้เราหิวโหยอยากเที่ยวอยากเล่นไปเรื่อยๆไม่มีวันจบไม่มีวันสิน้นแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะต้องเที่ยวไม่ได้เล่นไม่ได้แล้วเราก็จะทุกข์กันนคือเรามาหัดหยุดดีกว่าหยุดเที่ยวหยุดเล่นหัดทาอะไรเบาๆไปก่อนถ้า นั่งสมาธิไม่ได้ก็ฟังเทศฟังธรรมไปก่อนอ่านหนังสือธรรมะไปก่อนอเข้ากลุ่มกับคนที่เขามีกิจกรรมทางธรรมะอย่าไปอยู่กับกลุ่มที่เขามีกิจกรรมทางทางโลกถ้าไปอยู่กับกลุ่มเขาเดี๋ยวเขาก็ชวนไปกินไปเที่ยวไปเล่นไปอะไรกันบางทีเราให้นั่งจารน้วเองถึงแม้เราไม่เคยได้รับความสุขจากการปฏิบัติเลยก็คิดไว้ก่อนไงว่าเอ ผลที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติมันจะเป็นอย่างไรผลที่เราจะได้รับจากการไปเที่ยวไปเล่นมันเป็นอย่างไรเราสามารถมองได้นี่หรือฟังธรรมะฟังเทศเอาเทศที่ฟังแล้วทำให้เราเกิดกำลังใจขึ้นมาเทศของครูบาอาจารย์เทศของพระปฏิบัติ อ่าได้สาธุจากที่ไหนนะพอเจี๊ยบหมอปริชาอ่ายิงเทพ เ, นะเอยต้องเห็นหน้าถึงจะรู้พราะไม่เคยรู้จักชื่อนะญาญโยมส่วนใหญ่มานี่ก็รู้แต่หน้าแต่ไม่ได้ถามชื่อเสียงกันถามก็จะลืม อ, อ่าตอนนี้ช่วงแรกก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปะริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานังอุปการปติอิชิตังปฏทิตังตุลห um ังคิดเปเมวะสมิจจตุสัพเเปุเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยะถามานิโชติ ขณะสุยทธาสพพิติโยวิวาจาะตุสัพพโรโควินสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานศีลสานิจจังวุฒาปจายโนจตารูธรรมวทานติอายุวโนสุขัง อลอล่าันนี้มาทูล่าเลอมาทำอะไรเหมือนเดิมเาอาหลวงพ่อตัน อ, อันเกิดท่านเลยเป็นเวลาพิเศษหรือเปล่าม่อวันนี้ไม่ได้ไปอตอนเช้าเลยไปสายบาต ท, ที่นั่นเลยคนเยอะมั้ยเยอะค่ะพอดีช่วง ตำรวจห้าสิบกว่าคุณหมาห้าสิบานายมีผ้าเยอะไหมตอนนี้ไ่ทราบเอาไม่ได้เจอผ้อไปกราบท่านตอนสายแล้วสายแล้ว9ที่ว่าไปใส่บาตรไม่ใไปถวายดีไปกราบครูบาอาจารย์หลายๆลูกจะได้รู้จักที่ไป เปิดที่นี่ไม่ไม่สะดวกก็้าไปที่อื่นได้มีกูบาอาจารย์หลายหคนดีกว่ามีคนเดียวไม่ตีกันหรอคะไม่ตีกันหรอกถ้าสายเดียวกันถ้าถ้าปฏิบัติเหมือนกันนี่ไม่ตีกันทดสายเดียแทนกันได้พูดแทนกันได้เหมือนกันแล้วถ้าไปกราบพุ่งไปหมดนะไปอยากไปใจก็ไปเนี่ยก็ต้องเลือกดูเพราะว่าบางทีมันสอนไม่เหมือนกันไงถ้าสอนไม่เหมือนกันมันก็อาจจะขัดแย้งกันได้อื ก็ต้องรู้จักเลือกเหมือนกับไปซื้อของซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ต้องดูว่ามันใช้ปลั๊กอันเดียวกันได้หรือเปล่าถ้าใช้ปลั๊กอันเดียวกันไม่ได้ก็อย่าซื้อมาเดี๋ยวมันใช้ไม่ได้ส่วนมาก็พุทธโทพุทธทศให้นะัสอนให้ทําทานนักษา ส, สน์ปฏิบัติธรรมนี่ก็ใช้ได้เท่านั้ถ้าสอนให้ไป ไปทำพิธีกรรมไปสวดไปเสดอันนี้ก็ไปขอแลทางแล้วอันนั้อ่าอ่าอาจารย์ได้อ่าสาวทูสาว ท, าทูอ๋อถ้าจันค่ะหนูอ่ะเคยเป็นซึ่งเศร้าแล้วหนูชอบ ห, น, หอบ น, นีปัญหาค่ะอาจารย์แล้วมันคงมากพอม่เห็นอารมณ์ที่มันบัน มันมันเหมือนแบบใจมันรู้ว่ามันควรจะมีสติกับมันก็ชอบไปอินกับอารมณ์พยายามดึงมันใช้พุทโธสวดมนต์ไปดีกว่าอย่าไปดูมันสู้ไม่ไหวแล้วยิ่งดูยิ่งซึมเศร้าใหญ่ยิ่งคิดยิ่งซึมเศร้าใหญ่ต้องหยุดความคิดอย่าไปคิดถึงมันพุทโธก็ได้สวดมนต์ก็ได้ฟังเทศฟังธรรมไปก็ได้ให้มีอะไรดึงใจเราไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องต่างๆแล้วก็ตอนนี้หนูไม่สบายอะค่าในใจแต่เป็นหมอนรองก็ ตอนเห็นความทุกข์หรือว่าความเศร้าเจ็มันไม่อยากรับรู้มันก็เลยชอบหนีไปอย่กับอารมณ์อื่นที่แบอมันทําให้มันที่อารมณ์ที่เราไปหามันแทนที่จะเป็นประโยชน์มันกลับเป็นโทษเพราะทําให้เราติดเหมือนยาเสพติดเราต้องไปหาอารมณ์ที่ทําเพำที่ไม่มีโทษเช่นอารมณ์ธรรมะการที่จะไปเล่นอินเทอร์เน็ตก็ไปฟังเทศแทนอ่านหนังสือธรรมะอะไรไปคือแรกๆก็ค่ะ ต้องบังคับใจอย่าไปถ้าไม่ยอมถ้าไม่บังคับมันมันเดี๋จะทําให้เรายิ่งยิ่งยิ่งไปยิ่งอลงไปเรื่อยๆอต้องใช้ธรรมะอย่างใดอย่างหนึงสวดมนต์บริกามพุทธฟังเทศฟังธรรมอะไรไป อ, อย่างเนี้ยมาวันเนี้ยมาฟังเทศมาฟังธรรมอะไรอย่างเงี้ะนะ เวลาเรานั่งสมาธิอะค่ะก่อนง่ายเนี่ยลรานั่งแบบเรารู้สิเราสบายดีพลังงานเราใหญ่สภาวะอยู่ที่เท่าอยู่ธนาคารใช่ปะรู้สึกเหมือนพุทโธเราห่างขึ้นแล้ววังวันเราเลยไม่แน่ใจว่าเพรเราห่างแบบ น, นี้ต่อเลยทำเหมือนเหมือนนั่นแหละมันอยู่ที่ตัวสติจะนั่งดีไม่ดีก็อยู่ที่สติเราดีหรือไม่ดีถ้าเราทิ้งสติมันก็จะนั่งไม่ได้ แล้วต้องพยายามประคับประคองสติให้มีอยู่เรื่อยๆพุโทโธพุโทโธอยู่บ่อยๆหนูเคยมาเจอพระอาจารย์ครั้งแรกนั่งปุ๊บแล้วเหมือ น, นกับร่างกายช่วงล่างมันถูกดึงลงอข้างบนกำลังจะขึ้นอือจากนั้นไปก็ไม่เจออาการแบบนี้เท่าไหร่เลยว่ามันมือหางพุโทโธไปหรือเปล่ามันมีส่วนะ่ะถ้าไม่มีสติแล้วมันนั่งไงก็ไม่ได้ผล ในวันนั้นมันอาจจะเป็นโอกาสพิเศษเป็นโอกาสที่เราตั้งใจมีสติไม่ไปไหนมันก็เลยได้ผลแต่มันมันเป็นเหตุการณ์เฉพาะกิจตามปกติแล้วเราต้องสร้างสติขึ้นมาให้มันพุทโธอยู่ตลอดอย่าให้ใจไปคิดเรื่องต่างๆพอดีสาขาพอดีช่วงที่อยู่กับป้งกับยอดเดียวมันก็มได้ทำมันก็พุ่งพุ่งมนก็เวลานั่งมันก็เห็นแต่เป้าแต่ยอด ไม่เห็นพุทโธเลยไม่ทราบจะทำยังไงจะมีวิธีอะไรไเจ้าค่ะออก็ต้องออกจากงานเลยตยังออกัไม่ได้ก็ก็หาวันที่ว่างพุทโธพุทโธไปปฏิบัติไปทำได้ทำไปมาถูกแล้วล่ะมาทางสติทางสมาธินี่ทางที่ถูกีังรู้ทางอีกแน่ค่ะคือเวลาที่เราแบบ เราเหตุทุกใจยากเสียสา ม, มีเสียเนเราถวายผ้าขาวเนี่ยเราทําได้ให้เขาบ่มบอยได้ไหมใช่ไม่พราเราทําแค่ครั้งเดียวกับพระอาจารย์หนึ่งลูกอะไรอย่างนี้แล้วก็พอคือแล้วแต่เราเนมันเป็นการทําบุญผู้ตามความจริงแล้วการถวายผ้ามันควรจะมองคนรับมากกว่าคนตายเป็นไงบ้าง เขามีผ้าใช้หรือไม่มีผ้าใช้หรือก็มีนอนโต้แล้วก็ยังไม่เอาผ้ามาถวายมันก็เสียเวลาไม่เกิดประโยชน์อะไรอ เ, เอาเงินไปทําที่เป็นประโยชน์ดีกว่าเช่นเอาไปที่เขาขาดแคลนเช่นโรงเรียนไม่มีหนังสือซื้อหนังสือไปให้โรงเรียนได้ประโยชนด์ดูประโยชน์การเสียเงินของเราเนี่ยมันเป็นบุญนะที่มันจะเสียด้วยการซื้อผ้าหรือซื้อข้าวอาหารหรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมือมันก็เหมือนกัน คืเราได้บุญเหมือนกันเข้าใจไหมนี่คนเราเขาเขาเชื่อมาว่าจะถวายผ้าให้กับพระอย่างเดียวอะไรเวลามาหาพระก็ถวายผ้าถวายผ้าทั้งที่ผ้ามันเต็มวัดน้นวัดอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาผมคิดหนูเข้าใจว่าถ้าเกิดอย่างสเรนี้ยเสียชีวิตเร็วปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะทุกข์หนักกรรมหนักกรรมเขาไม่ไม่เกี่ยว่มันไม่เกี่ยวว่าถวายผ้าเลยถวาย เหมือนการถวายผ้าถวายอาหารถวายเครื่องไม้ เ, เครื่องมือให้โรงเรียนถวายหนังสืออะไรเป็นการทําบุญเหมือนกั น, ไ ด, นได้เหมือนกันรลกบุญนี่สามารถส่งไปให้เขาได้เหมือนกันผมนก็ไปเข้าใจว่าถวายผ้าก<อ>็จะถึงเลยถึง เ, เลยเ<อ>ได้รับเลยอะไรแบบนี้ได้ทุกอย่างถึงหมดอทําบุญแบบไหนถึงหมดทั้งปล่อยนกปล่อยปลาก็ถึงดูที่ผู้รับเวลาทําบุญดูที่ผู้รับว่าเขาขาดแคลนอะไรเดือดร้อนอะไร พระพุทธเจ้าถึงต้องสมัยหนึ่งมีแต่ใส่บาทไม่มีการถวายผ้าก็เลยต้องสั่งให้ทําถวายผ้ากระถิ่นขึ้นมาเมื่อก่อไม่มีถวายผ้ากระถิ่มีแต่ใส่บาทอย่างเดียวตอนยุคที่พระพุทธเจ้าเผยแผ่ธรรมะใหม่ๆผ้าต้องผ้าต้องไปหาผ้าบางสกุลผ้าที่เขาหอ่อศพอยู่ในป่าช้ามาตัดมาเย็บเป็นจีวรทีนี้ต่อมามีพระมาบวชกันเยอะมีคนมาบวชเป็นพระเยอะ ผ้าไม่พอผ้าหมดป่าช้าพระเจ้าเลยต้องบอกให้ญาติโยมถวายผ้าก็เลยมีการถวายผ้ากระถิ่นผ้าขาวเนี่ยอย่างที่เราถวายผ้าแยุคนี้เันผ้ามันเต็มไปหมดแล้วใครๆก็ถวายผ้าตายผ้าอะไรไปหมดแล้วก็เอาไปถวายอย่างอื่นดีกว่ากาใจมั้ยมอย่างสมัยหลวงตามอยู่ท่านก็เลยหาวิธีอไปทาบุญช่วยชาติกันดีกว่าเอาเงินเข้าคังหลวง เพราว่าผ้ามันเป็มไปหมดแนละ้วคลังหลวงกำลังจะจะแย่อยู่แนละ้ว<น ls>ไปช่วยตรงที่มันเดือดร้อ น, ท, น ท, อที่ไหนมันเดือดร้อนไปช่วยตรงนั้ น, น, เ, นเหมือนกันได้บุญเหมือนกันทำทำกับวัดวัดมันเหลือเฟือละวัดไม่ได้ใช้วัดก็เอาไปเอาไปช่วยเหลือที่อื่นต่ออยู่ดี่เ ก, ก็ได้ต่อไดปจะได้รับเล็วกว่าไม่ <c oughs> บุญได้เท่ากันแต่สิ่งที่เราได้จากพระที่เราปฏิบัติดีก็ได้ธรรมะที่เราไปทําเนี่ยเราได้สองต่อได้บุญที่เราได้จากการเสียสละเงินทองแล้วก็ได้ธรรมะจากพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเราไปทําบุญกับโรงพ ย, ยาบาลเราก็จะไม่ได้ธรรมะได้แต่บุญที่เกิดจากการเสียสละเงินทองเนี่บางทีก็เลยนิยมไปทําบุญกับพระแล้พระไปทําบุญกับโรงพยาบาลอีกต่อเห<น>มือนน้องตาเนี่ย เอพอไปทําบุญกับหลวงตาก็ได้บุญจากการเสียสละแล้วก็ได้ฟังธรรมแล้วก็หลวงตาก็เอาเงินนี้ไปบริจาคให้โรงพยาบาลเราอต่อไปสร้างโรงพยาบาลให้กับเราอีกทีเพราะที่วัดมันไม่มีอะไรจะต้องสร้างที่วัดมันเต็มมันพร้อมพร้อมบริบูรณ์แล้วท่านก็ต้องเอาเงินที่ญาติโยมมาทําบุญเนี่ยไปสงเคราะห์โลกต่อไปเทนั้นเองแต่โยมไม่อยากไปทําที่โรงพยาบาลเพราะมันได้เด้งเดียว ได้ต่อเดียวมาทำกับหลวงตาได้สองต่อได้ธรรมะด้วยได้บุญด้วยแล้วโรงพยาบาลก็ได้อยู่ดีเพราะเดี๋ยวหลวงตาก็ไปทำให้เราหรือถ้าลังหลวงยยมก็ไม่อยากจะไปเบอร์จากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยใช่ไคมกวไม่ถึ ง, ม, ถงมาผ่านหลวงตาดีกว่า เ, วเดี๋ยวก็หลวงตาส่งไปที่ลังหลวงมันก็ถึงเองเออบางทีเราทำบุญบางทีอะไรก็อาสายพารเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นตัวแทนเรา ถ้าไปถ้าไปทําบุญกับพระปฏิบัติรีปฏิบัติชอบท่านจะมีเหตุมีผลท่านจะไม่เอาเงินไปสร้างไปทําอะไรที่มันไม่มีประโยชน์อหลวงตาท่านเคยสร้างอะไรในวัดไหมเจดีย์ JD, มีไหมโบสถ์มีไหมใช่เอเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรมีประโยชน์น้อยมันเป็นเพียงแต่ที่บรรจุอัฐิอะไรท่านั้นเองเจดีย์ท่ผมบอกว่ามาทำ ท่านจะได้ปฏิบัติเสียเวลามาปฏิบัติเชตูใช่ทางบวชก็เป็นที่อยู่ของหมาของนกของนกที่ลาบไปพระภาเราก็ไม่ได้ทําพิธีกรรมอะไรกะพระปฏิบัติไม่ค่อยมีพิธีกรรมไม่มีการบวชพระไม่มีอะไรไม่ต้องใช้โบสถ์อยากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ท่านล่ะขอถามอีกคำถามจะดีมากกลุ่มที่เดินทางมถามว่า มีวิธีการใดที่แบบจะทําให้แบบเวลาทํางานอยู่ในสถาเราต้องมีเป้ามียอดมีื่องๆๆเร้ยเราเครียดกันะนะจ๊ะค่ะอยากไ่าชีทางวาเวลาเกิดความเครียดอะไรแบนี้จะทําัีไได้ดบ้างจะ๊ะค่ะถ้าเกิดถามตึมาบนร ถ, บนรถบนเบื่อเดี๋ยวจะถามท่านแตหน่อยวิธีแกเราต้องไปหาข้อค้นคว้าต้นเหตุของความเครียดก่อนนความเครียดของเราก็าคือกลัวจะตกงานกันกลัวจะถูกเขาไล่ออก กลัวเขจะโยกย้ายเราดิเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาแล้วว่าเราห้ามมันได้ปะถ้ามันจะต้องออกก็ต้องออกใช่ไมถ้าถูกต้องโยกย้ายก็ต้องโยกย้าย เ, าเราก็ทาท ำ, บ, ทำบ่งทำแบบทำใจไปทำให้ดีที่สุดก็แล้วกันทำสุดความสามารถของเราเพื่อจะได้คุ้มค่ากับ เ, เงินเดือนที่เขาจ่ายเรา ส่วนเป้าจะได้ไม่ได้ก็มันก็เป็นเรื่องที่มันมันแล้วแต่เหตุการณ์ไม่ใช่อยู่ที่ตัวเราคนเดียวมี้แบบนี้ในะยูนิสคาห์ก็จะมีลูกน้องกันหลายๆคนผลงานส่วนลงก็จะเป็นส่วนลงของทีมถ้าทีมั้นไม่ไม่เวิร์กไม่ดีไม่ได้เป้าตามนั้นก็เกรดเองนักเดียนเองน้องก็จะไม่ได้ไปด้วยเราคอยให้เราก็เครียดไปด้วยี่จะเอาทางไหนดีจ้ะคะก็ต้องเอาทางทะก็เกือมากน้อยสันโดษ เอาน้อยๆเอาพออยู่ได้ก็พอออถ้าไม่ได้เป้ากว่าช่างมันไม่ได้โบนัสก็ช่างมัน <ấy. S 1> อย่างน้อยก็ขอให้มีเงินเดือนซื้อข้าวกินได้ก็พอแต่ทีนี้น้องมีสาขาบาคนเขามีภาระมีอะไรไหลายอยก็ต้องลดภาราลงเลยอย่าไปเอทำ น, น, น, นั้นเลย <ๆ S 1> เราไปสร้างภาระกันขึ้นมาเองเราได้แต่ทีมงานเราน้องๆก็ไม่มีทรรมะไงเขาก็เลยมีภาระเยอะภาระผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนอะไร เราก็อย่าไปสร้างภาระที่เราไม่สามารถที่จะไปแบกได้สิถ้าเรายังไม่มีกําลังจะผ่อนรถก็อย่าเพิ่งไม่ผ่อนนั่งแท็กซี่ไปก่อนขึ้นนั่งรถเมย์ไปก่อนเดินไปก่อนออนั่นเลยสิก็ถึงเขรียดยังไงเพรถึงเครแ ล, แล้วเราเป็นหัวหน้าเท่าไงนะก็ช่วยไม่ได้ใหเราให้พวกเราไปทําให้เขานั่งเราก็ไม่จะช่วยยังไงช่วยยังไม่ได้จริงๆเนั่นแหละมันเป็นเรื่องของการไม่มีธรรมะนั่นเอง ถ้าเขามีธรรมะได้อ่านหนังสือธรรมะเขาโปร่งได้เขาจะตัดค่าใช้จ่ายลงไปได้เยอะเลยค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยต่างๆเสื้อผ้าอาภรณ์นี่ใส่ชุดเก่าๆไม่ได้เลยทําให้ต้องคอยเปลี่ยนใหม่เยู่ด้วยใช่ไหมมันก็เลยกลายให้มีภาระใช้จ่ายมากขึ้นไปต้องใช้ทำมักน้อยสันโดษ น, น้อยก็เอาเสื้อผ้าตั้งสองสามชุดก็พอแล้วชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้เปลี่ยนชุดหนึ่งไว้ซักไว้สำรอง แค่นี้ก็พอแล้วเสื้อผ้ามันก็มีไว้สำหรับปกปิดอวัยวะร่างกายทนั้นเองคนเราไม่ได้วิเศษที่เสื้อผ้าหรอกวิเศษที่ความมาักน้อยสันโดษมากกว่าถ้ามีทำแล้วมักน้อยสันโดษแล้วใจจะไม่เครียดใจจะไม่มีภาระกดดันเราจะอยู่ตามฐานะของเราได้มีน้อยก็ใช้น้อยอย่าไปใช้เกินที่เราหามาได้แล้วก็จะไม่เครียด แล้วยิ่งทามีสำรองได้ยิ่งดีใหญ่้ามีสำร อ, อ, องก็ไม่กลัวตกงานเมื่อไหร่ก็ไม่เดือดร้อนอเดี๋ยวก่อนวันนี้เข้ามาเท่าไหร่รอยเจ็สิเอ๋อร้อยเจ็ดสิเอดหรอเพโอ้โหวันนี้เยอะนะย <c oughs> อดหรือเป้าาร้อยกว่ากับหกร้อยวันนี้ว่ามาองถามจากคุณมาริข้อที่หนึ่งถ้าเราไปชอบคนที่มีครอบครัวแล้ว แค่คุยไลน์เท่านั้นและมีความสุขที่เห็นเขามีความสุขกับครอบครัวเขาไม่เคยคิดทําร้ายครอบครัวเขาไม่คิดจะนอนกับเขาไม่ไม่คิดจะผิดศีลแบบนี้จะผิดใช่ไหมคะคือตอนต้นมันก็จะชิดอย่างนี้นะ่ะเดี๋ยวพอมันใกล้ชิดเข้าใกล้ชิดเข้าเดี๋ยวมันก็ขยับเข้าไปเรื่อยๆทางที่ดีถ้าเขามีครอบครัวเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่านอกจากมีธุระมีเหตุมีผลที่จะต้องติดต่อกัน ถ้าจะไปเพราะความรักความชอบอย่าไปติดต่อเขาเลยไปสร้างไปทำให้คนอื่นเขาทุกข์เดือดร้อนนะ <c oughs> ต้องคิดถึงโโหข่าวโหกเราถ้าเรามีแฟนแล้วคนอื่นก็มาคุยกับแฟนเราเราก็จะไม่สบายใจน <c oughs> คนจะมีต้องเยอะแยะไม่ใช่มีคนเดียวในโลกนี้มาไปหาคนอื่นเถิดนะบว <c oughs> มหมดแล้วป่ะไม่บวดหรอกในเมืองไทยนี่มีพาแค่สองแสนเท่านั้นเอง ผู้ชายมีต้องสามสิบล้านคนสี่สิบล้านคนมไม่ยอยาวมองไปหาไปเดินถาพัทยาอย่าเยอะแยะเลยหน่อยนะไปเอาคนที่เขาไม่มีคู่ดีกว่าอย่าไปอย่าไปยุ่งกับคนที่เขามีคู่มีมีข้อควรเลยเป็นบาปกรรมข้อที่สองคนรับใช้เพลพูดจากเก้ารั้วกับหนู หนูเคยโกรธแต่ตอนนี้เขาดีแล้วและหนูก็ไม่โกรธเขาแล้วพูดคุยเมตตาเขาแต่รู้ลึกๆว่าหนูไม่ชอบมิสไยเขาอคติกับเขาหนูควรทำใจอย่างไรดีคะจึงจะทำใจเฉยๆได้ก็หัดฝึกสมาธินะทำใจเป็นอุเบกขาพุโทโธพุโทโธไปล้วยอมรับความจริงของเขาว่าเขาเป็นอย่างนี้แต่เราก็มีทางเลือกถ้าเราจะไม่ไม่อยากจะอยู่กับเขาก็ได้หรือจะอยู่กับเขาก็ได้ แล้วแต่เหตุผลถ้าเราคิดว่าเรายังต้องอาศัยเขาอยู่เราก็อยู่กับเขาไปถ้าเราคิดว่าเราไม่ต้องอาศัยเขาเราก็ให้เขาไปก็ได้คาถามทางยูทูจากคุณปาริชาติค่ะไปนิพพานไปแบบมีคู่ไม่ได้จริงๆเลอคะไปได้แต่ต้องยา ก, กันไปไงไปบวชกันทั้งสองคน <c oughs> <c oughs> อย่างพระอาจารย์ผมนี่ท่านท่านก็มีภรรยาแล้วท่านกับภรรยาท่านก็ไปบวช ไปบวชแต่ไปอยู่คนละที่ไปปฏิบัติกันคนละที่ภรรยาก็ไปเป็นไปบวชชีท่านก็ไปบวชพระท่านก็ไปถึงนิพพานแต่ไม่ทราบว่าภรรยาถึงหรือเปล่าไม่ได้มีการเล่ามาให้ฟังแต่น่าจะถึงเนะเพราะถ้าท่านถึงแล้วท่านก็มาสอนภ ร, รรยาได้สอภรรยาแล้วภรรยาก็จะปฏิบัติตามได้ไปได้ทั้งสองคนแต่ไม่ได้ไปพร้อมกันถ้าไปเตังเดียวกันเดิน ไ, ไปไม่ได้ <laughs> น้องใหม่ลอรเตียงคำถามจากคุณติสิชัยค่ะผู้หญิงที่แต่งตัวโป์ในที่สาธารนณะหรือถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กเมื่อผู้ชายเห็นแล้วไปก่ออัจยากรรมฆ่าคงขืนผู้หญิงคนนั้นมีส่วนร่วมในบาปบ้างหรือไม่ครับ อ, อ๋อไม่มีแหลกเพียงแต่เป็นผู้ไปกระตุ้นให้คนที่ไปทำอัจญ า, ยายกรรมนั้น เ, ออเกิด อารมณ์ขึ้นมาเท่านั้นเองเข้าข้ถามจากเด็กบ้านนอกอยากให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องแปดรมืรนสี่รรมขันว่าคืออะไรครับก็ธรรมะที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเนี่ยก็มีอยู่แปด0มืนสี่พันบทไงที่มันจกไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยเขาเขามีแยกไวเป็นเป็นเป็นบทบทนรวมกันก็มีแปดหมืนสี่พันบท เขาจะทำอคติก็รร ค, คือภาษาปัจจุบันก็คือว่าบทเนี่เรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยมีแปดหม่นสี่พันเรื่องแค่นั้นเองคำ ถ, ถามจากผู้ประสองค์ออกนามการเลือกทาบุญกับพระเฉพาะบางรูปถือว่าเป็นกิเลสบุญไหมคะและจะได้บุญไหมคะก็ต้องอยู่ที่สาเหตุการเลือกเนถ้าเหตถ้าเลือกด้วยเหตุผลก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นกิเลสถ้าเลือกด้วยอารมณ์ชอบพระองค์นี้ เสียงดีหน้าตาดีแต่นี้ก็เป็นกิเลสแต่ถ้าเลือกเพราะว่าพระองค์นี้ท่านเทศสั่งสอนเราให้เราฉลาดขึ้นให้ธรรมะกับเราอย่างนี้ไม่ว่าท่านมีศีลสะอาดบริสุทธิ์ท่านสำรวมเรียบร้อยพระที่ไม่เรียบร้อยพระพูดจาไม่ดีพระพูดแล้วไม่มีธรรมะอย่างนี้ถ้าเลือกแบบนี้ไม่เป็นไรไม่ได้เป็นอารมณ์เลือกด้วยเหตุด้วยผลเหมือนกับเราเลือกโรงเรียนใช่ไหม เวลาเราไปโรงเรียนเรียนหนังสือพ่อแม่ก็เลือกโรงเรียนพยายามเลือกโรงเรียนที่ดีที่สุดให้กับลูกๆอันนี้ไม่เป็นกิเลสคำถามจากคุณต้นทุนข้อที่หนึ่งค่ะถ้าญาติโยมอยากไปปฏิบัติบนเขามีที่ให้ญาติโยมปฏิบัติหรือเปล่าครับไม่มีหรอกที่บนนี้เป็นที่อยู่ของพระเป็นที่ปฏิบัติของพระข้อที่สองค่ะกําลังของศีลห้าจะทําให้ จิตเข้าถึงอัปนาสมาธิได้หรือเปล่าครับยากยากก็สี่แปดเหมือนขึ้นเขาเนี่ยใส่เกียร์ 4, สี่สู้สู้เกียร์สองเกียร์หนึ่งไม่ได้เกียร์หนึ่งเกียร์สองมันมีแรงมากกว่าถ้าเกียร์สี่นี่เนี่ยวิ่งบนถนนบนบนทางด่วนมันวิ่งเร็วแต่มันมีกําลังน้อยแต่ถ้าจะให้มันมีกําลังมากมันก็วิ่งช้าดัางนั้นคนที่อยากจะนั่งสมาธินี่ต้องถือศี่แปดจะช่วยได้มากกว่า เราศีลแปดจะช่วยกาจัดกิจกรรมต่างๆทำให้เรามีเวลามาปฏิบัตินั่นเองถ้าเราไม่ถือศีลแปดเดี๋ยวเราเย็นก็กินข้าวเย็นได้ไปเที่ยวได้ดูหนังฟังเพลงได้นอนกับแฟนได้เราก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติเท่านั้นเองแต่ถ้าเราถือศีลแปดก็ทำกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้เราก็จะมีเวลามาปฏิบัติได้คาถามจากคุณนิโรธข้อที่หนึ่ง ถ้าเราเกิดมาจนแต่อยากทำบุญเมื่อเราทำบุญให้ทานไปแล้วรู้สึกนึกคิดถึงสิ่งที่เราทานไปแล้วเราจะบาปไหมครับบาไปยังไงแม้ถึงรู้สึกนึกคิดกับทานที่เราทา ร, รู้สึกเสียดายมากกว่าอ๋อรู้สึกเสียดายไม่บาปแล้วก็แสดงว่าเรายังไม่ได้ทาแบบแบบแบบปล่อยวางอย่างเต็มที่บุญก็เลยได้ไม่เต็มที่เพราะเรายังหวงยังเสียดายอยู่ แต่ถ้าเราทำแล้วเราไม่ไปคิดถึงมันเลยคิดถ้าคิดก็คิดว่าทำแล้วให้คนอื่นเขามีความสุขได้รับประโยชนจากการทำนี้เราก็จะได้บุญเต็มที่ยิงเวลาทำแล้วเราอย่าไปหวงอย่าไปห่วงอย่าไปกังวลบางคนทำแล้วมาดูว่าอาจารย์กินหรือเปล่าปัากไปใช้หรือเปล่า้าอย่างนี้แล้วมันจะทำให้ใจไม่สบายขึ้นมาได้แล้วบุญที่ควรจะได้จะไม่ได้เต็มร้อย ผมนั่งสมาธิแล้วผมรู้สึกว่าตัวผมมือผมแขนอวัยวะทุกอย่างใหญ่ไปหมดผมรู้สึกกลัวจึงหยุดนั่งอย่างนี้ควรทําอย่างไรต่อครับ อ, อ๋ออย่าไปสนใจเวลานั่งอย่าไปสนใจกับความรู้สึกต่างๆให้สนใจอยู่กับพุโทโธพุทโธไปเลื่น ด, ดูลมหายใจไปเวลานั่งอย่าไปนั่งเฉยๆต้องมีพุโทโธหรือมีลมหายใจถ้านั่งเฉยๆเดี๋ยวมันจะมีความรู้สึกแปลกๆต่างๆขึ้นมาหลอกเรา เราจะทำให้เรานั่งไม่ได้พะั้นพยายามอย่าไปสนใจเวลานั่งนี้ต้องมีสติกับมีอะไรกำกับใจมีพุโทโธกำกับใจมีการดูลมหายใจกำกับใจแล้วอาการต่างๆมันก็จะไม่เกิดหรือถ้ามันเกิดเราก็ไม่สนใจแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปมันเป็นความรู้สึกหลอกเราไปเท่านั้นเองร่างกายเรามันจะพองขึ้นมาได้ไงมันจะหดลงไปได้ไงมันก็เท่าเดิมแหละใช้ปัญญามั่งสิเวลา ของแค่นนี้มัคําถามจากคุณพงพิทักษค่ะสัตว์เลี้ยงเราป่วยมาหลายวันเราดูแลเขาให้ ข, าหข้าวให้ยาเขากินมาตลอดวันหนึ่งเราเอายาตัวใหม่ให้เขากินแล้วเขาเกิดอาการช็อกและเสียชีวิตไปในที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะบาปและรับกรรมมากไหมครับและเมื่อเราได้ทําบุญตั้งจิตอุทิศบุญให้เขาเขาจะมีโอกาสได้รับบุญไหมครับอยู่ที่เจตนาว่า เรามีเจตนาอยากจะให้เขาหายหรืออยากให้เ้าตายที่เราเปลี่ยนยาทีา่ถ้าเรามีเจตนาอยากให้เขาตายแล้วเขาตายจากการกระทาของเราก็บาปแต่ถ้าเรามีเจตนาอยากจะให้เขาหายเห็นว่ายาเก่ารักษาแล้วใช้ไม่ได้ก็ลองยาใหม่นี้พอใช้แล้วยามันไม่ไม่ถูกกับโรคทําให้เขาตายอย่างนี้ก็ไม่บาปแล้วบุญที่เราอุทิศไปก็อยู่ที่เขาว่าเขารอรับบุญหรือเปล่าถ้าเขามีบุญเก่า ก็อาจจะไปเป็นเทวดาเขาก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญของเราแต่ถ้าเขาไม่มีบุญเขายังเป็นเปรตอยู่เขาก็จะรอรับเขาก็จะได้รับบุญส่วนนี้ไปอยู่ที่ฐานะของเขาหลังจากที่เขาตายไปแล้วพระอาจารย์ครับครับถ้าพวกศัพท์ที่เพื่อการวิจัยการศึกษาเนี่ยมีการค่านะครก็บาปไหมครับบาปบาปเหมือนกันก็เราเราไปวิจัยนี่เราจะยอมให้เขาวิจัยไหมเหร คำถามจากป้าสำนวยพระอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่บรรลุแล้วใช่ไหมคะอ๋ออันนี้พูดไม่ได้แล้วพูดแล้วเดี๋ยวเขาเขาเรียกว่าถ้าจะบรรลุ ก, กับรรลุขั้นกอรณาณินเู้จากกรรณาณินไหม <c oughs> กินแล้วนอนเนี่ย <c oughs> ทามีนำมันก็กินไงกินเสร็จก็กลับมานอนนี่ปดติอันนี้อันนี้ก็เป็นของแถมนะแต่ที่มันุูแน่ๆก่อนละนินกินแล้วนอนกินแล้วนอนองถามจากคุณกัญญานะัถามต่อเนื่องจากเมื่อวานที่ถามว่าเดินเช้าและเย็นค่ะเมื่อวานขนาดเดินรู้ขวาซ้ายแต่มีความรู้สึกรู้เกือบตลอดตัวค่ะ กระโดดเท้าเดินไปพร้อมกันทั้งตัวคะ่ะตั้งแต่ใบหน้าลงมาจนถึงเท้าถ้ารู้สึกเช่นนี้ถูกต้องไหมคะก็ได้คือเป้าหมายก็คือไม่ให้เราไปคิดเรื่องราวต่างๆให้ให้เราอยู่กับร่างกายจะอยู่จะรู้ส่วนไหนก็ได้ส่วนส่วนอื่นก็ได้ถ้าไม่ใช่ที่เท้าคือให้เรามีอะไระเป็นที่ยืดเหนี่ยวของจิตใจเพื่อใจจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ เราใจจะมีสติมีกำลังเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้อีกสัก3ามข้อนะเพราะว่ามันจ ะ, ะเดี๋ยวจะหมดเวลาข้าถามจากคุณโอเคค่ะในข่าวถาวายแบตเตอรี่ชุดแบ่งถาวายหลวงพ่อแล้วถูกผู้ถาวายจะได้บุญมากเข้ากับจำนวนเงินที่ถูกหรือไม่คะไม่เหรอ ก, ก็ได้แต่เฉพาะเงินที่เราเสียไปเท่านั้นเอง อันนั้นเป็นถือว่าเป็นบุญเก่าของหลวงพ่อท่านส้มหล่นคําถามจากคุณสิริชัยคะ่ะอยากบวชแต่ต้องดูแลพ่อแม่เริ่มชร า, าแล้วเจ็บป่วยจึงมีหน้าที่ต้องคอยดูแลพ่อแม่อยากปรับเรียนถามว่าระหว่างปนิบัติพ่อแม่กับการบวชอย่างไหนจะมีประโยชน์มากกว่ากาันทั้งประโยชน์ตนเและพ่อแม่คะอ๋อการบวชเนี่ยมันได้ประโยชน์มากกว่าการดูแลพ่อแม่ แต่เราสามารถทำได้ทั้งสองอย่างคือเราบวชใจไงเราไม่ต้องไปบวชพระก็ได้ดูแลพ่อแม่ไปเราก็รักษาศีลได้นั่งสมาธิได้ปฏิบัติทำได้ใช่เราไม่ได้ดูแลพ่อแม่ตลอดยี่บี่ชั่วโมงใช่ไหถึงเวลาทำกับข้าวหาอาหารให้พ่อก็หาไปเสร็จเราก็มานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติทำได้ดังนั้นเราสามารถทาได้ทั้งสองอย่าง ดูลลพ่อแม่แล้วก็บวชไปด้วยเพียงแต่ยังไม่บวชแบบเต็มรูปแบบอแบบแบบบวชแบบมือสมัครเล่นไปก่อนอืบวชไปอยู่ที่บ้านไปก่อนปฏิบัติอยู่ที่บ้านไปก่อนอืแล้วเดี๋ยวพอเวลาหมดภาระกับพ่อก็จะพร้อมที่ไปบวชได้อย่างเต็มรูปแบบเลยสุดท้ายยังเอาสุดท้ายนะเอคําถามจากคุณมิไล พระนําผ้าหรือสิ่งของที่โยมถวายไปขายนําเงินมาใช้พัฒนาวัดผิดไหมเจ้าคะอ๋อไม่ผิดหรอกก็เป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนทรัพย์ให้เปลี่ยนทรัพย์ที่ใช้ไม่ได้มาเป็นทรัพย์ที่ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เงินทองก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งเสื้อผ้าเข้าของก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งเมื่อทรัพย์แบบนี้เอามาทําประโยชน์ไม่ได้ก็เอาไปเปลี่ยนดีกว่าแล้วมาทําประโยชน์ อ่าเรื่อคำถามฝากใช่ไหมคำถามฝากถามค่ะพ่อแม่ถ้าให้เงินลูกที่โตมีครอบครัวแล้วลูกจะบาปไหมคะพ่อแม่ให้เงินลูกใช้ที่โตแล้วไม่บาปหรอกไม่บาปหรอกไม่บา ป, ปนะเพียงแต่ว่าอาจจะทำให้ลูกเสียนิสัยจะคอยเกาะพ่อแม่ไปเรื่อยๆแต่ถ้าพ่อแม่ให้โดยที่ลูกไม่ได้ขอไม่เป็นไรก็เป็นเหมือนกับพ่อแม่รัก แต่ลูกก็ไม่ได้ไปหวังอะไรจากเงินพ่อแม่หวังพึ่งตัวเองดูแลตัวเองไปอย่างนี้ลูกก็จะไม่เสียถ้าลูกคอยคอยเกาะกินพ่อแม่ไปเรื่อยๆนี่ลูกก็จะเสียเพราะเกิดต่อไปพ่อแม่ตายไปไม่มีเงินให้แล้วลูกเขาก็จะลำบากแต่ถ้าเขาหัดพึ่งตัวเองได้พ่อแม่จะอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่าเสียนิสยัย จะไม่ยอมโตทันทียังจะเป็นเด็กอยู่เรื่อยของเงินพ่อแม่ใช้อยู่เรื่อยแล้วสักวันหนึ่งพ่อแม่ก็ต้องตายไปแล้วถ้าเงินทองที่พ่อแม่เก็บไว้ให้เอามาใช้หมดก็จะลําบากแต่ถ้ารู้จักหาเองรู้จักคพึ่งตนเองมันก็จะไม่เดือดร้อนเอาแล้วนะวันนี้สําหรับปัญหาทางภาษาไทยเพราะว่าเมาื่อวานนี้ปัญหาทางภาษาอังกฤษยังไม่หมดอะไรวันนี้ขอต่ออีกรอบหนึ่งก็ขอให้ญาตโยม จงเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิชพิจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ